ความลึกล้ำที่ชาวเทวนิยมเองก็ควรชะงนมันน่าชะงนจนงงจนเมาไหมล่ะว่าทำไมพระเจ้าผู้ปรารถนาดีต่อมนุษย์ทุกผู้ทุกคนในโลกและอย่างที่สุดด้วยที่จะให้มวลมนุษย์ในโลกทั้งหลาย อยู่เย็นเป็นสุขเป็นคนดีอย่างทั่วหน้าพระองค์มีความรารถนาเช่นนั้นจริงๆใช่ไหมแต่ทำไมพระเจ้าปล่อยให้มนุษย์ชั่วขึ้นมาได้ในโลกหรือยอมให้มนุษย์บางคนเลวร้ายและเต็มไปด้วยทุกทรมานขึ้นมาในโลกได้เล่า เมื่อมีชั่วก็ต้องเกิดความไม่ดีไม่งามเป็นพพติเป็นกรรมของคนชั่วขึ้นมาผลชั่วก็ต้องกระทบคนกระทบสังคมในโลกเมื่อเหตุชั่วผลทุกข์ก็ต้องเกิดขึ้นในโลกแน่นอนแล้วเหตุชั่วมันโผล่มาจากไหนเกินพระเจ้าสร้าง เพราะชั่วย่อมทำเสียหายทำลายทำฉิบหายแรงร้ายโหดร้ายเจ็บปวดทรมานอธร ม, มหิตคนคือลูกพระเจ้าก็ต้องพากันทุกข์เห็นหมายเล่าอำนาจพระเจ้ามีเหนือกว่าอะไรหมดทุกสรรพสิ่งนี่นาะ แล้วสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้สร้างคือชั่วมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมนุษย์ชั่วมนุษย์ก็ก่อร้ายก่อเลวก็เกิดทุกข์ขึ้นมาในโลกเพราะความเร็วความร้ายหรือความแรงที่เกินพอดีก็ทุกความขาดแคลนที่มากไปก็ทุก ทำไมพระเจ้าจึงยอมให้อำนาจอื่นมาละเมิดอำนาจของพระองค์ได้พระเจ้าจะชื่อว่าใหญ่ยิ่งที่สุดจริงหรือทำไมจึงมีอำนาจอื่นมาทำมนุษย์บางคนให้ชั่วก่อทุกข์ขึ้นในโลกในเมื่อพระเจ้ามีพระปณิธาน ให้มนุษย์ทั้งหลายเป็นคนดีทั้งหมดเป็นสุขทุกคนไม่ใช่หรือชั่วที่พระเจ้าไม่ได้สร้างทุกที่พระองค์ไม่ได้บันดาลให้เกิดมีขึ้นมาในโลกในมหาเอกภพได้อย่างไร